นาปฏิวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ536 1. ิกภิกษุขอจากครืหัสที่เป็นญาติ2ภิกษุขอจากครืหัสที่ปรนนธาสา 3. ภิกษุขอเพื่อภิกษุรูปอื่น 4. ภิกษุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตน 5. ภิกษุผู้เมื่อพวกครืหัดต้องการซื้อจีวรราคาแพงตนเองกลับให้ซื้อจีวรราคาถูก6ภิกษุวิกฤจริต เจ็ดภิกษุต้นบัญญัติทุติยอุปัตขาตะสิกขาบทที่เก้าจบ